ห้าสิบที่สระว่ายน้ำ ว, วันนี้อากาศร้อ น, นเราไปสระว่ายน้ำกันไหม คุณอยากไปไว่ายน้ำไหมม่ใช่บาญปล่วตคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมมรนคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมม่ใว้คุณมีชุดว่ายน้ำไหม มคุณไั้นคุณว่ายน้ำได้ไหมชติมีตคุณดำน้ำเป็นไหมชติปิร์นคุณกระโดดในน้ำเป็นไหมชติวมีิษสตออาบน้ำได้ที่ไหน เดเยดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนเดเยเคยบ для นเล็บปะเรฟจานยาแว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนเดเยอคูลา для นเล็บพลาวานยน้ำลึกไหมตุดกลลี่บุกน้ำสะอาดไหมวดชต น้ำอุ่นไหมวอดาเต็มละดิฉันหนาวมากไม่เย็นน้ำเย็นเกินไป вода นาจะขั้วโคลดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วย้ д у те แต่เพ